ติฆาบที่5ว่าด้การฉุดลากออกเรื่องภิกษุณีทุลนันทา950สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถวินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระพัฒ ก, การปิลานีจามันษาที่เมืองสาเกตเธอส่งทูตไปสำนักของภิชฌณีทุลนันทาด้วยทุระบางอย่างให้แจ้งว่าถ้าแม่เจ้าทุลนันทาให้ที่พัก ดิฉันจะมากรุงสวัสดีภิกษุนีทุลนันทากล่าวว่าเชิญมาเถิดดิฉันจะให้ลำดับนั้นพระพัฒกาปิลาณีเดินทางจากเมืองสาเกตไปถึงกรุงสาวัสดีภิกษุนีทุลนันทาได้ให้ที่ภาคแก่พระพัฒกาปิลาณีสมัยนั้นภิกษุนีทุลนันทาเป็นผู้หูศูนเป็นนักพูดแกล้งกล้าสามารถกล่าวธรรมีกถาแม้พระพัฒกาปิลาณีก็เป็นผู้หูศูน เป็นนักพูดแกลวกล้าสามารถกล่าวธรรมีกระถาทั้งเธอก็ได้รับสรรเสริญว่ามีคุณสมบัติยิ่งกว่าคนทั้งหลายเห็นว่าภิกษุณีพัฒกาปิราณีเป็นผู้มูสูตรเป็นนักพูดแกลวกล้าสามารถกล่าวธรรมีกระถาทั้งเธอก็ได้รับสรรเสริญว่ามีคุณสมบัติยิ่งกว่า จึงก็ไปหาพระเทรีก่อนแล้วไปหาภิกษุณีทุลนันธาภายหลังภิกษุณีทุลนันธารู้ว่าธรรมดาภิกษุณีผู้สารวนอยู่กับการอภิปรายเรื่องราวให้พูดเข้าใจย่อมมากน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คู้คลีจึงโกรธขัดใจฉุกลากพระพัตกาวิลานีออกจากห้องบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพนธนาว่า ชะนแม่เจ้าทุลนันธาให้ที่พักแก่แม่เจ้าพัตกาปิลาณีแล้วโกรธขัดใจฉุดลากออกไปเล่าครัดแล้วภิกษุเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพว้ภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ